อะไรๆ ไ, ไม่สําคัญเท่าให้เกิดสติยิ่งฝึกไปสติจะยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดเลยความทุกข์ในใจเราทั้งหมดะเกิดตอนขาดสติเท่านั้นเองแล้วเราฝึกเพื่อให้มีสติถ้าพอเรามีสตินะความทุกข์เข้ามาไม่ได้แล้นี่เบื้องต้นเลยแล้วไปพอมันเกิดปัญญาตอาเนี้ยมันจะแก้ถาวรนะ มีสติแล้วแก้กันชั่วคราวคล้ายนักเลงมาตีหัวมันไปทีหนึ่งมันถอยไปเดี๋ยวมันมาอีกตีมันหลายๆทีเข้าหัวมันแบะมันมาไม่ไหวแล้วสติเป็นการเรารู้ลงไปรู้ลงไปรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจทันทีที่เกิดสติจิตก็มีความสุขจิตตื่นขึ้นมา้าตื่นมากๆนานไปนานไปปัญญามันเข้าใจกายกับใจนี้ไม่ใช่เราหรอกอย่างเดิมกิเลสมันมา กิเลสมาเนี่ยคนทั่วๆไปก็ตามกิเลสไปอย่างนี้แจ้เลยนะนักปฏิบัติอีกกลุ่มหนึง่งพอกิเลสมาหาทางสู้กับกิเลสหาทางต่อสู้เช่นพอโทสะเกิดขึ้นก็แผ่เมตตานะราคะเกิดขึ้นก็พิจารณาสุภนะเนี่ยหาทางแก้จิตมันหลงเก่งนักมากำหนดลมหายใจหาทางแก้นี่ก็มีความสุขความสบายไปอีกแบบหนึง่ง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 ยากก็ต้องทำนะเหมือนเราตกน้ำไปเกลี่ยตะกายโอ้ไกลฝั่งลวเกินไกลแค่ไหนก็ต้องว่ายน้ำนะไม่ใช่โอ้ไกลละเกินจมมันเลยนะทำไมพระโพธิสัตว์ต้องเป็นพระมหาชนกไปหัดว่ายน้าใครเผลอบ้า ง, งเออไหนชื่นใจพวกที่ไม่ยกมือหลวงพ่อไม่ชื่นใจพวกเผลอแล้วไม่รู้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 อานั่นหนูรู้สึกไว้หนีไปคิดเนาะรู้สึกไว้<ม>สุนันท์อย่าบังคับมันคุณนะกบเป็นไงอ<ม>ื ม, มให้หงุดหงิดร้วงหงุดหงิดเลยนะทันทีที่มีสติขึ้นมาเนี่ยถูกต้องละถัดจากนั้นเนี่ยมันผิดมาตรฐานเรานะเราอยากให้รู้ตัวนาน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 บางทีสอนกรรมฐ า, านเสร็จแล้วถ้านั่งอยู่กับท่านเนี่ยดีท่านก็พูดธรรมะแปลกๆให้ฟังผู้เท่าไม่เคยเรียนหนังสืออะไรกับใครเขารอกนะแต่ผู้เท่าวิจารณ์ไอน์สไตรได้ <c oughs> วิจารณ์ไอน์สไตรเลยบอกว่าอยู่อยู่วันหนึ่งท่านก็พูดขึ้นมาไอน์สไตรเนี่ยนะมีภูมิปัญญามากเขาสามารถคิดพิจารณาได้ถึงนิพพานแต่เขาไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์ได้ยังไง เพราะงั้าก็เลยรู้แล้วเขาก็ทิ้งไปเลยหันมาหาสิ่งซึ่งจับต้องได้เท่านั้นไปเจอหนังสืออ๋อไอสตล์เขียนอย่างนี้นี่ง <c oughs> จริงๆแล้วเขียนไม่ได้ต่างอะไรกับชาวพุทธอย่างโลกกระาธาจริงๆเนี้ยโลกนี้ว่างเปล่าอยู่แล้วความไม่รู้มันทําให้เราไปกีดกันเอามาบางส่วนของโลกเนี้ยกีดกันเอามาเป็นตัวเรา นี่คือร่างกายของเราผลจริกายของเราที่ไหนมันก็เป็นวัตถุของโลกนี้เองนะไปขโมยเข้ามาซึ่งซึ่งหน้านะหรือจิตใจเนี่ยจริงๆริจริตใ จ, จกายกับใจเนะที่ยบไปพูดจับยาบนะนี่ก็สัตว์ตัวหนึ่งในฟูงสัตว์ใหญ่ๆหนี้แต่เราไปแบ่งแยกเอาตัวเองออกมาในสุดมันก็เลยมีเรามีเขาขึ้นมานะมีภายในมีภายนอกขึ้นมาพระเจ้าสอนให้เรามาดูกายดูใจดูลงมาที่กายสิ ดูลงมาที่ใจสิวันหนึ่งเห็นความจริงกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของโลกเป็นธาตุนะอย่างกายก็เป็นแค่ธาตุสี่วัตถุธาตุจิตใจก็เป็นนามธาตุเป็นวิญญาณธ า, าตุเป็นของโลกนะเราไม่รู้เราก็ไปเอามาเป็นเรานะท่านเลยสอนบอกให้มีสตินะรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจบันไดเห็นว่ากายกับใจนี้กับโลกข้างนอกมันอันเดียวกันนะ่ะ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 เรารู้แค่ว่าลองวิเองลองวิ่งเองก็มีความสุขรู้สึกไหมเมื่อไหร่หมดธุระที่จะต้องทำหมดภาระที่จะต้องแบกมันมีความสุขมากเลยหรือเทียบอีกอย่างนะั้นแค่เราตกเป็นทาตอะไรสักอย่างทุกวันเราต้องแบกข้าวสารหนึ่งกระสอบอยู่บนหลังไปไหนล้วก็แบกกระสอบข้าวสารนี้เราแบกมาตั้งแต่หนุ่มๆเลยแบกมาหลายปีเจอทั้งไม่รู้สึกว่าหนักจริงๆก็คือเราเนี่ยแบกภาระแบกขันนี่เอง แบกขันห้าแบกบกายแบกบใจของเราเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเป็นภาระมันชินนะที่จริงภาระเยอะนะแล้ววันหนึ่งเราวางภาระนี้ลงไปแม้มันโลน่งเลยนะมันผิดกันมากไม่เหมือนกันเลยรพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยบอกภาระขันห้านี่เป็นภาระคนที่แบกภาระไปเนี่ยนะไม่พ้นจากทุกทังปวงมันต้องแบกบต้องหามทั้งวันทั้งคืนปล่อยไม่ได้เลย พระอริยะเจ้าเนี่ยวางภาระลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกเนี่ยถึงจะพ้นจากทุกข์พวกเราลองมาดูที่เราภาระเยอะแค่ไหนตื่นนอนขึ้นมาทำอะไรก่อ น, น, นอื่าแต่งฟันก่อนไ่ล้างหน้าแต่ก่อ น, น, น, นอ๋อนะแต่ละค น, นจะต่างๆนะรวมความก็คือพอตื่นขึ้นมาก็เ ร, าเริ่มปรนิบัติร่างกายนี้นะปณิบัติรับใช้มันใช้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะ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 ถ้าได้มีพระองค์หนึ่งที่วัดโสเป็นเขียนจนหมายมาเล่าท่านเรียนวิศวะจุฬาตรงแม้ถ้าเรียนจบแล้วจะมีความสุขจบแล้วถ้าได้ไปต่อด็อกเตอร์ที่อเมริกาอะไรเงี้ยจะมีความสุขนะได้ไปไปแล้วไม่เห็นนั่นจะสุขตรงไหนเลยนะเรียนกลับมามาทำมาหาคลินิกว่าถ้ารวยๆวยแล้วจะสุขอะไรเงี้ยะถ้ามีมีเมียสวยๆจะสุขมีแต่ท่าความสุขไม่เคยมีนะในชีวิตจริงๆมีแต่ท่าอยังง้อท่าอย่างนี้ท่าไปทั้งชาตินะ จนแก่ๆแล้วหรือโตขึ้นมามีมีครอบครัวแล้วถ้ามีลูกฉลาดฉลาดจะมีความสุขนี่ยลูกได้เรียนหนังสือดีๆจะมีความสุขใช่มแต่มาเราแก่มากๆเวันไหนไม่เจ็บป่วยจะมีความสุขถ้ามันไม่เมื่อยเนี่ยจะมีความสุขแต่มันเมื่อย จ, จอทั้งเจ็บหนักเลยดิ้นทุรนทุรายโอ้ถ้าตายซะได้จะมีความสุขหนี่หาความสุขจนตายยังไม่เจอเลยนะี่ใจเราเนี่ยมันขิวความสุข แต่มันหาความสุขไม่เจอภาระเยอะนะภาระเยอะมหาศาลเลยคล้ายๆธาตุที่เกิดมาก็เป็นธาตุแล้วไม่เคยรู้จักอิสระภาพหรอกเพราะงั้นก็แบกความทุกข์อยู่อย่างนั้นนะ่ะโดยไม่รู้ว่าทุกข์พวกเราทั้งหลายมีความทุกข์มากมายครูบาอาจารย์หรือพระอริยเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าเลยนะท่านรู้ว่าพวกเราทุกข์เยอะแต่พวกเราไม่รู้สึกตัวว่าทุกข์เท่าไหร่หรอก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 มันโยนเองนะไม่ต้อง อ, อ้อนบอนสมควรจะทิ้งไม่ทิ้งไม่มียไม่มีสมควรไม่มีสมควรอะไรทั้งสิ้นนะเราเห็นขันห้าเป็นทุกข์จะทิ้งแน่นอนงั้นสิ่งที่ทางอันนี้มีอยู่นะความพ้นทุกข์มีอยู่แต่พวกเราเป็นทุกข์เราก็ยังไม่ค่อยจะรู้ตัวว่ามันทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าก็ทําได้แค่ค่อยบอกค่อยเตือนพวกเรารู้ไหมมันทุกข์หันมาดูอย่าเชื่อสอนด้วยนะว่าไม่ต้องเชื่อ มารู้กายมารู้ใจของเราไปดูซิมันจะทุกข์หรือมันจะสุขมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะมันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูเอาเองดูด้ตัวเองคอยรู้ของเราไปในวันใดมันแจ้งขึ้นมานะโอทาไมมันโง่น้อครูบาอาจารย์เคยเล่ามาองพอแจ้งขึ้นมานะโอ้ด่าตัวเองเลยทำไมมันโง่แท้อของง่ายง่ายทาไมไม่เข้าใจ องที่ท่านทําเป็นแล้วท่านก็บอกง่ายนะคนทําไม่เป็นก็ยากเหมือนหัดขับรถนะขับรถไม่เป็นยากไหมกรรมพวงมาลัยยันแน่นรถอย่างสายเลยตอนสตาร์ทถ้ารถธรรมดาแล้วไม่ออโต้ตอนสตาร์ทนะาเหมือนกกกระโดดตุ๊บตุ๊ตุก่อนพอวิ่งวิ่งเหมือนงูนเสร็จแล้วตายเหมือนเฉียด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 ดังนั้นใจเรานี่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันมันไม่ใช่ความจริงความคิดอ่ะดังน้นหันมาอยู่กับโลกของความจริงจะรู้สึกตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมาไม่มีทางที่สองที่จะให้เลือกล้นี้บางคนกินเสียงอ่อนต่อแต่ต่อแต่ไปอ้าผมจะหัดพุดโทโธก่อนได้ไหมได้ดีกว่าไม่ทำเลยนี่ฉันจะดูพองยุบ ก, ก่อนได้ไหมได้ดีกว่าไม่ทาเลย ทำอะไรก็เอาเท่านั้นหนึ่งนะแต่ว่าทุกอย่างทำไปเพื่ออะไรเพื่อความมีสติกับเพื่อให้เกิดปัญญาจำไว้นะสติปัฏฐานสี่เนี่ยทำไปเพื่อสองวัตถุประสงค์เท่านั้ออะนะเพื่อให้เกิดสดติกับเพื่อเกิดปัญญาสติคือความระลึกได้ทำไงเราจะรู้สึกตัวได้บ่อยๆถ้าทำสติปัฏฐานเราจะรู้สึกตัวได้ถี่ขึ้นถีขึ้นเรือรจะตั้นลงตั้นลงพอสติเกิดบ่อยๆต่อไปปัญญามันเกิดเข้าใจความจริง มันทำสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติให้เกิดปัญญาไม่ได้เพื่อให้เกิดอย่างอื่นนะกระทั่งเพื่อมรักผลนิพพานอะไรเนะี่ยไม่ต้องไปเผื่อมันขอให้เกิดสติกับปัญญาเท่านนะั้นแหละที่เหลือถัดจากนั้นนะจิตมันทำของมันเองหน้าที่ของเราก็คือเหยียบเหลอไปรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าไปเอาแต่นั่งเพ่งไว้บังคับตัวเองให้นิ่งๆใช้ไม่ได้นะอะคุณน้องจะกลุย้ยอะไรมไห ม, มก็ควรที่อย่างนั้นอนะ นะธรรมะคุยได้ไม่ใช่ของจริงนะ <c oughs> ถ้าคุณนาบอกของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นได้ยินที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจําไว้เลยนะไม่ใช่ของจริงนะของจริงอยู่ที่กายกับใจเท่านั้นรู้กายรู้ใจวันหนึ่งปล่อยกายปล่อยใจไม่ใช่ปล่อยเปลี่นะปล่อยวางปล่อยวาง <c oughs> บอกให้ปล่อยกายปล่อยใจเลยเสพเลบกหลวงพ่อปราโมทสอน <c oughs> บางคนร้ายนะ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 วนะิ่งไปบอกหลวงพ่ออีกวัดหนึ่งนี่หลวงพ่อปราโมทบอกไม่ต้องเดินจงกลุบนะนะย่าโยมนะเจ้าเล่ยนะเนี่ยนี้หลวงพ่อเราต้องระมัดระวังพูดอะไรต้องให้รัดกลุ่มนะชอบเอาไปอ้างนเนี่ยกระทั่งพระนะเนี่ยเปิดโองค์พระสถกทีวันเนี้ยมีอยู่องค์หนึ่งปกติหลวงพ่อไม่ได้ให้ไม่ได้รับพระไปที่นี่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 ท่านลักก็เลยไม่รับไ ม, ไม่รับมีวันหนึ่งรุ่นไล่ๆกับท่านนี้แหละนะเดินโ ต, โตเตะมามีโยมเขาโตมาบอกว่ามีพระองคนึงมานอนอยู่ตรงเนี้ยหน้าสวนชมพูตรงเนี้นะเอาไปดูบอกว่าจะมาเรียนที่นี่บอกอ้าวทำไมไม่ไปพักวัดน่าอยากพักตรงนี้บอกไม่ได้ตรงนั้นเป็นที่ขายยาบ้าเนี่ยสุกเชือนนะเนาะแล้วขําแล้วไล่ไม่ไปนะอให้มาอยู่คืนหนึงนะ เราอย่ า, ยาดื้อนะทีหลังยังมาทำอย่างนี้อีกเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปคุยต่อนะให้เพื่อนมาเอาตัวอย่าง <Yeah. S 1> นักปฏิบัตินะ <Yeah. S 1> เขาลบกติกา <laughs> แต่ละแห่งแต่ละวัดมันมีความจําเปน็นมีกติกาทํา <laughs> ไมหลวงพ่อบ อ, อยากเข้าไปข้างหลังเลยตอนชชเช้าเช้านี่ยข้างหลังไม่มีใครมีหลวงพ่อคนเดียว กระทั่งเมื่อวานนะสาปิดป้ายห้ามเข้าแต่เดิมบอกเขตพระก็ยังเข้าไปเมื่อวานผู้หญิงคนเดียวบุกเข้าไปถึงกุฎหลวงพ่อ <c oughs> นะบอกเนี่ยที่ห้ามเข้าเพราะเรื่องนี้มันไม่มีคนอื่นอยู่ใชนะ่คือเราต้องเอื้อเฟื้อกับพระธรรมมวินยัยไม่ใช่หวงอะไรนะอยากดูอยากพาชมก็ยังได้นะไม่ได้มีอะไรลึกลับทุงนะคนตรงใจทาไมต้องห้ามโมโหอีกนะ <c oughs> คือแต่ละแห่งอ่ะมันก็มีเหตุผลมีความจำเป็นไปหาครูบาอาจารย์ไปเรียนนะโอ้ต้องอ่อนโยนใจจะมาเจ้าเล่ไม่ได้นะหลวงพ่อไล่ไปหลายคนแล้วเจ้าเล่เอา่างไงคือสัมบัสัญญาเนี่ยเป็นตัวปัญญา นะสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นนะมีปั ส, สนาปัญญานะสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวเบื้องต้นเป็นตัวที่คอยประคองให้เราเดินถูกทางเบื้องต้นจริงๆเลยนะเช่นถ้าวันหนึ่งเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นแล้วเราอยากละกิเลสเนะี่ยถ้าเรามีสัมปชัญญะเรารู้นะว่าหน้าที่ของเราตอนนี้คือรู้กิเลสไม่ใช่ละกิเลสเนะี่ยสัมปชัญญะยัะมีองค์ประกอบสี่อัน เราจะทําทอะไรจะทําทเพื่ออะไรจะทําทอย่างไรระหว่างทาไม่หลงไม่เผลอไม่ลืมตัวงั้นสะเป็นเช่นยันจะช่วยเราไม่ให้ตกขอบไปสติเป็นตัวระลึกรู้นนนนคนละอันกันนะแต่จิตเดิมแท้เนี่ยคนละเรื่องเลยจิตเดิมแท้ไม่เกิดตอนนี้เนี่ยไม่เกิดจิตเดิมแท้จริงๆอันนั้นของเซน ของเราก็คือมหากริยาจิตและใจคือความว่างเป็นอารมณ์คืองนี้อเนนชาพิสังขารหมายถึงความปรุงแต่งนะความปรุงแต่งที่ประณีตแล้วความปรุงแต่งมีสามัญ อันหนึ่งเนี่ยปรุงแต่งตามใจกิเลสนะเรียกว่าอาปุญญาที่สังขารนะอันที่สองปรุงแต่งที่คอยควบคุมกายควบคุมใจของตัวเองเรียกว่าปุญญาที่สังขารนะนี่คือภูมิปัญญาของคนไม่เท่ากันแต่ละคนนะวิ่งหาความสุขนะฉนั้นการหาความสุขเนี่ยก็เลยมีเกิดสังขารสามขึ้นมาพวกหนึ่งหาความสุขโดยวิ่งหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจนะวิ่งสนองกิเลสทั้งวันเลย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 พวนี้ก็เลยไปจับเอาความว่างๆไว้เข้าไปอารูปก็เลยเรียกว่าอาเนินชาที่สังขารมันไม่ถูกเหยียดแทงไม่ถูกกระทบกระเทือนไม่รับรู้อะไรถ้าถ้าถ้าไปดูช่องว่างจิตแนบอยู่ในช่องว่างไม่เป็นไหนนะนั่นก็อเนินชาที่สังขาร คือตรงที่หนักเนี่ยโลภะยังแทรกอยู่ยัอยงอยู่ในขั้นลงมือทาอยู่แต่พอมันเป็นผลขึ้นมาแนละ้วมันก็โล่งไปหมดที่หนักๆเนี่ยมั น, มนจ ม, มีการคลายอ่าไม่คลายใช้ไม่ได้ไรตรงที่ไม่ผ่อนคลายก็คือขาดปัจธิตสัจธิเนี่ยเป็นองค์ธรรมของความผ่อนคลายเพราะงั้นธรรมะของเราไม่บริบูรณ์ คนละเรื่องกั น, น, กนก อ, ออกนอ ก, ออ ก, นอกคนละเรื่องกันนะเราต้องรู้หน้าที่ของเราขณานี้มีหน้าที่อะไรเราจะทำอะไรเพื่ออะไรจะทำอย่างไรเนี่ยคือสัมปชัญญะแหละคือนะมีปัญญาเบื้องต้นขนาดนี้จะทำมาหากินจะทำงานตั้งใจทำงานต้องคิดเรื่องงานต้องรู้งานในขณะที่เรารู้เรื่องที่เราคิดหรือรู้เนื้องานเราเนี่ยเรารู้กายรู้ใจไม่ได้ให้คนละอันกัน ในเวลาที่นอกเหนือจากการทํางานที่ต้องใช้ความคิดนะเป็นเวลารู้กายรู้ใจลืมกายลืมใจอยู่ทราบไหมตอนเนีนะ้ไปรู้อะไรเมื่อกี้นี้รู้เรื่องที่คิดใช่ไหมแต่แม้ขณะที่เรา ร, รู้เรื่องที่คิดนะี่เราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้นะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะไม่ว่าจิตของใครทั้งสิ้นนะว่าจิตนะี่รู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียว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 ผิดอันที่สองบังคับกายบังคับใจเอาไว้เพ่งเอาไว้ค่อยรักษารู้สึกไหมค่อยรักษาค่อยประครับประคองกลัวมันจะเผลอกลัวมันจะหลงอย่างประคองอยู่คอจะเห็นไหม <c oughs> เอานะคอยรู้ทันตรงนี้นะพอเรารู้ทันสิ่งที่ผิดแล้วมันจะถูกเองงสิ่งที่ถูกแนละ้วอย่าไปทําขึ้นมานะอยากทำเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นเลยสมพงษ์เป็นไงสมพงษ์ เออให้มันได้อย่างนี้อบอยเป็นไงเนอะชมตัวเองอีกแล้ว <c oughs> เออดีก็ดีแล้วทุก๊กอ่ะหาเรื่อยๆแปลว่าอะไรกูสนเกิดเรื่อยๆหรืออ่ะกูสนเกิดเรื่อยๆเออเห็นไหมไม่เรื่อยหรอก <c oughs> คำว่าเรื่อยๆค่ะเหมือนเดิมค่ะเรียกฝืนธรรมชาติไม่มีเหมือนเดิมหรอก ไม่มีเรื่อยๆนะนั่นทางนั้นชัดสั่นนะอ้าวโกบบ้ามาเอาดเ อ, อดีก็ดีละขยันรือเปล่าดูบ่อยไหมแต่ก่อนนี้เวลาจะมาวัดเนี่ยซ้อมมาระหว่างทาง <laughs> ใครจะชวนคุยก็เป็นไง ไม่แน่ใจรู้ว่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเราก็รู้ว่าไม่แน่ใจตอนนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวเต็มที่ยังอือตอบตอบตรงไปตรงมาเอออไม่แน่ใจรูปเดียวไม่แน่ใจให้รู้ว่าไม่แน่ใจตอนนี้มันยังไม่ตื่นเต็มที่นะมันดีขึ้นนะดีขึ้นแล้วล่ะทั้งสองคนอะ แต่หน้าที่ของเราก็รู้สึกไปเรื่อยๆในที่สุดสิ่งที่แอบแฝงแปลกปลอมมาในใจเรานะเล็กๆน้อ ย, อยๆเราก็เห็นพอเราเห็นมันก็จะหลุดออกไปจับใจใจไมนจะเด่นดวงรู้สึกตัวเด่นอยู่งั้นวันหนึ่งก็เกิดภูมิปัญญามากกว่านั้นอีกเห็นว่าตัวจิตใจที่รู้เด่นอยู่นั้นย่าเป็นตัวทุกข์อีกมันก็จะปล่อยวางในทางเดินตั้งแต่ต้นสายยันสุดสายอยู่ตรงนี้เองง่ายๆ สมพงษ์ทําอะไรใช่ใช่อย่าไปสร้างมันอย่าไปทามันขึ้นมาเนี่ยละ่ะรู้เรื่องไหมเมื่อกี้พยักหน้ารู้ไหมเมื่อกี้เผลอใช่ไหมพยักหน้าไปไม่รู้หรอกงั้นยังบอกหลวงพ่อว่ารู้อีกไหนดูสิ๋ใ <c oughs> คยรู้สึกตัวนะอย่าให้ใจมันลืมตัวเองแต่และคนเนี่ยรักตัวเองที่สุดเรารักตัวเองมากที่สุดนะ แต่เราลืมตัวเองบ่อยที่สุดเรารู้เรื่องของคนอื่นมากกว่ารู้เรื่องของตัวเราเองอย่างแต่ละวันเนใจของเราหนีไปตลอดแตาไม่เคยเห็นเลยน่าสงสารมากแล้หนีไปแล้วไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองได้เยอะมากเลยหนีวิคิดแล้วทราบไหมอ่เนี่ยต้องอย่างเนี้ยรู้สึกไหมตรงเนี้ยโล่งโลๆไม่มีอะไรเลยเนี่ฝึกไปเรื่อยๆใจจะสว่างโล่งเบาสบายมีความตุกมากนะ เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมนะเนี่ยอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่โวกไปคือตัวจิตเองอะมันประพัดสอนในตัวมันอยู่แล้วอภาษาแขกว่าประพัดสอนไม่เป็นไรคือรู้สึกไหมว่าบางวันใจมืดมัวอ่านี่ยมันกลับข้างกันนั่นแหละมืดไม่ใช่ไม่ใช่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 แต่ยัยไม่มาเยื่อญ่ขอแถมอีกนิดนึงอะไรเงี้ยไม่มีมันจะขาดทันทีเลยเพั้นทันทีที่เกิดความรู้สึกตัวเนี่นะความฟุ้งซ่านของจิตจะดับทันทีที่จะแอบคิดเนี่ยมันฟุ้งซ่านเป็นโมหะชนิดหนึง่งอ้ามีใครจะส่งกันบ้านอีกบ้างอ้าคุณหมีว่างไงคุณหมีหมีแหมมไม่ต้องเกี่ยงกันคนไหนก่อน <c oughs> อ้าดีก็ดีแล้ว <c oughs> รู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นยังฝึกไปนะฝึกแล้วมีความสุขทันทีที่รู้สึกตัวก็มีความสุขแล้วทันทีที่จิตตั้งมัน่นยิ่งมีความสุขขึ้นไปอีกเมื่อเกิดปัญญานะั้นยิ่งสุขขึ้นไปอีกเป็นลำดับลำดับไปคุณโตใช่ไหมโตเป็นไงไนเหรอ <laughs> รู้สึกเรื่อยๆดีแล้วล่ะนะดีครับ แลวโยมผู้หญิงนั่นละ่ะมากับใครเคยฝึกไหมแล้วแล้วไปฝึกวัดไหนล่ะเหล้ววัดอะไรแล้วฝึกแบบไหนฝึกแบบไหนภาวนาอะไรหรือ <c oughs> เออพุทโธก็ได้แต่นิยม ฝึกเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งต่อไปนี้นะเราพุทโธพุทโธพุทโธสบายๆนะพุทโธพุทโธพุทโธแล้วค่อยสังเกตใจของเราเราพุทโธพุทโธสักพักหนึ่งนะใจจะหนีไปคิดเรื่องอื่นเคยเป็นไหมเออมีเยอะไม่เป็นไรนะอย่าพุทโธไว้พุทโธแล้วพอใจเราหนีวิคิดเรื่องอื่นเรารู้ว่าใจหนีไปแล้วก็มาพุทโธใหม่พุทโธเดี๋ยวมันก็หนีไปอีกหนีอีกรู้อีกไม่ห้ามนะอ่า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 ท, ที่อาตมาบอกนะบอกยอมว่าพุทโธแล้วให้ยอมคอยดูอะไรรู้ไหมให้ดูใจของเรานะเราพุทโธพุทโธไปแล้วจิตของเราหนีไปรู้ทันว่าจิตหนีไปะพุทโธแล้วจิตใจของเราสบายรู้ว่าจิตใจสบายนะพุทโธแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะพุทโธแล้วมันฟุ้งซ่านไม่สบายใจเลยวันนี้พุทโธไปรู้ว่าใจมันไม่สบายไม่ต้องอยากให้มันดี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 เราหัดพุทโธพุทโธเพื่อจะรู้เท่าทันจิตใจของเราไม่ใช่พุทโธเอาอย่างอื่นหรอกพุทโธเอาใจของเราบางโอสอนละเอียดเคยได้ยินชื่อแม่จันบุญจันอยู่ถ้ำผาพึ่งสอนพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธเนี่เป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าพุทโธเราก็คอยรู้ทันใจของเราไว ถึงทํากรรมฐานอย่างอื่นก็เหมือนกันนะใช้ได้หายใจเข้าหายใจออกเพื่อจะรู้ทันใจจิตเราหนีิปเที่ยวรู้วหนีจิตเราไปอยู่กับลมเพ่งลมไหมเรารู้ว่าเพ่งลมจิตสบายรู้ว่าสบายจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นต่อไปเราก็รู้จิตของเราได้ทั้งวัดยืนเดินนั่งนอนทุกๆอิริยาบถนะเราจะรู้เท่าทานันจิตใจได้ตลอดเลยเอา้าวแล้วคุณผู้หญิงถัดมาเนี้ยว่าไงเคยฝึกไหม ฝึกมาแบบไหนทำไมมันแข็งนะ <c oughs> อย่าไปบังคับมันนะรู้สึกไหมเราบังคับมันเยอะกรรมฐานเขาฝึกให้มีความสุขนะฝึกแล้วมีความสุขไม่ให้ฝึกเราเครียดชีวิตเราก็เครียดเยอะแต่ละคน้วฝึกให้มันสบายฝึกแบบสบายๆรู้ไว้สบายๆรู้อย่างผ่อนคลายเมื่อกี้หนีไปคิดทราบไหมใจลอยรู้จักใจลอยอยัง นีแว บ, บไปใจลอยแล้วก็รู้นะคอยรู้ไปอย่างที่เขาเป็นสงสัยมากไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยอย่าสงสัยแล้วคิดใหญ่ไม่เอานะ mm hmm. กิเลสมันจะรอกให้เราคิดกิเลกกิเลสหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัว mm hmm. แหมเพื่ mm hmm. อ้พูดเป็นใจละหลวงพ่อว่าไม่ลงเลยอย่างี้ ยังไงถ้าหลวงพ่อบอกไม่ได้ต้องดีตลอดเนี่ยหลวงพ่อมาเพี้ยนสิพูดแบบนี้ป้องกันตัวรัดกุมนะ <c oughs> แล้วกิเลสเกิดเห็นไหมกิเลสอะไรเกิดบ่อยอ <c oughs> อะไรเยอะกว่าการทุกครั้งที่มีโทสะจะต้องมีโมหะเสมอนะ <c oughs> ถ้าไม่โลงเสีอย่างโทสะมาไม่ได้ ต้องเผลอก่อนนะโทสะถึงจะเกิดได้แล้วต้องมีราคะก่อนนะโทสะถึงจะเกิดเ <c oughs> พราะโมหะเนี่ยความหลงเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสราคะเป็นลูกของมันโทสะเป็นหลาน <c oughs> คือเรียงเรารักความสุขรักความสบายพอคนอื่นมาทำให้เราสูญเสียความสุขความสบายเนี่ยโทสะเกิด ถ้าเราเป็นกลางเราไม่ได้รักความสบายอย่างเราเราอยากอยู่คนเดียววันนี้อยากอยู่คนเดียวเงียบๆนะแฟนเราก็เปิดประตูไปชวนเราคุยเรื่อยๆเราอยากอยู่คนเดียวเห็นไหมเราอยากจะสบายอยู่คนเดียวราคาของเราไม่ได้รับการตอบสนองโทรสาก็เปิดโมโหว่ามาบ่อยจริงนะแล้วทำไมเราถึงเพลิดเพลินในความสุขความสบายอยากจะมีความสบายมีความสุขเพราะมีโมหะ เราไม่รู้หรอกว่ากายใจนี้เป็นตัวทุกข์ไปอยากให้มันสุขไม่ได้หรอกเพราะจริงๆมันทุกข์โดยตัวของมันเองงนั้นโมหะนะเป็นรากเป็นเงาของกิเลสอื่นๆเอาอาจารย์ว่าไงอาจารย์แกมแห่งแสนเนี่ยเออดีแล้วล่ะมันก็หลงทั้งวันอ่ะเนานะคุณกวีพรเป็นไง วันนี้เขายังช่วยหน่อยนะมีคนตื่นตื่นเยอะบางวันมีแต่คนหลับนะโอ้ยหลกงพ่อจะหลับไปด้วยตื่นนี่หมายถึงจิตนะจิตมันหลุดออกมาจากโลกของความคิดความฝันไม่ว่าตื่นไม่ใช่ตื่นแต่ตัวคนในโลกนี้ตื่นแต่ตัวแต่ใจเนี่ฝันทั้งวันตื่นมาเฉพาะตัวแต่ใจฝันอย่างตอนเนี้ฝันแล้วรู้ไหมดูออกแล้วใช่ไมดีฝึกได้ดีเรียนได้เร็วอนนี้ตกอีกคนนึง ว่างไงอยู่หลังคุณน้องเลยไม่เห็นไหหามันเที่ยงหรอเหมือนเดิมออกไปเที่ยวมาไปเที่ยว <c oughs> ก็ดูได้นะเราไปเที่ยวมาเราเห็นสาวสวยใจเราชอบคนระรู้ว่าชอบนะไปเที่ยวที่นี่เพลินเลยสนุกมากเลยรู้ว่าสนุกนะเที่ยวก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่ห้ามนะอย่าไปเที่ยวที่ไม่ดีก็แล้วกัน <c oughs> ไปทัศนจรอะไรก็ไปได้ แต่ไปแล้วก็คอยดูใจของเราไว้คุณเฉลิมพง์เป็นไงคุณเฉลิมพง์รไก่อนเวลาูันิดก็ูว่าอยู่อนิดอนนี้ับเวลาดูิดเกิดีผ่านก็หังตาเห็นีตีมีมีตัวเอดีคุณเฉลิมพง์เนี่ยเห็นเลยเห็นตัวเห็นตอนแต่ดีแล้ว ในวันนี้มันก็ขาดไปอันว่าไงอันแ ล, แล้วอันรู้รู้ไหมจิตเด็กคิดรู้ไหมอันแยกได้แล้วอย่างว่ารู้เรื่องที่คิดนะอันหนึง่งรู้ว่าจิตเด็กคิดเป็นอีกอันหนึง่งแยกได้แล้วใช่ไหมตัวนี้สําคัญนะคนไหนยังแยกไม่ได้หัดสังเกตส่วนใหญ่เราจะไปรู้เรื่องที่เราคิดเรื่องที่เราคิดเนี่ยเป็นสมมติปัญญัติ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 เดี๋ยวศีลของพระหมดสีมาขอกัอนนะเพราะฉนศีลไม่ต้องไปขอใครนะตั้งใจรักษาเองความตั้งใจที่จะไม่ทําผิดนั่นแหละคือศีลเราไม่ต้องขอใครเดี๋ยวนี้เห็นไดกข่าวก็มีเขียนการ์ดใช่ไหมตั้งตั้งอะไรตั้งตั้งสัจจะตั้งแล้วทํามั่งเต่ามนนู้นนะถ้าทํามันคงบ้านเมืองคงดีวันนี้เขาเป็นเรื่องต่างกันแล้ว เริ่มตั้งไม่เป็นไรอ่ะทำความดีทำเมื่อไหร่ก็ดีเมื่อนั้นแหละคนเริมมากมันจะตั้งอย่างเดียวเดี๋ยวปีหน้าซื้อมาอีกใบ <c oughs> ว่าไงอั น, น เ, เนี้ยเลขแปดเนี่ยเอดีแล้วล่ะค่อยๆตื่นขึ้นมารู้สึกไหมมันค่อยๆเราตื่นมากขึ้นมากขึ้น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 ปูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนใจเราไปคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราแกล้งทำนะเรายังแกล้งทําเฉยๆไว้รู้สึกไหมว่ายังแกล้งทําเฉยๆไว้ดูออกไหมนั่นแหละคือตัวปัญหาที่ทําให้เราไม่ตื่นเนะะใจของเรายังไม่เดินในทางสายกลางเรายังฝุดโต่ไปข้างบังคับตัวเองถ้าเราบังคับเนี่ยกายก็นิ่งใจก็นิ่งก็ไม่มีไจรักให้ดูสินะเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับให้เขานิ่งนะ ใจเด็ดๆปล่อยเลยถือศีลห้าไว้ก่อนต้องรัดกลุ่มนะเนี่ยสอนโยมนะเป็นยังจับปูเสกโกต๊ะบอกปล่อยเลยนะครับนี้ทําชั่วอะไรเต็มที่บอกหลวงพ่อปลาโม่สอนนั้นถือศีลห้าไว้ก่อนนะเออมีศีลห้ายังไงไม่ทําผิดศีลห้าต่อไปนี้จิตใจมันเป็นยังไงคอยรู้ไปนะเช่นเราเดินเดินอยู่เราเห็นไใ้คนเนี้ยนะเขามีแฟนแล้วด้วยเราก็ชอบชอบเรารู้ว่าใจเราชอบแต่เราไม่ยุ่งกับเขานะเพราะเรามีศีล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 ถ้าไม่มีรูปแบบเลยเดี๋ยวก็จะท้อแท้ใจรู้สึกเหมือนไม่ได้ปฏิบัติแล้วเวลาที่เหลือในชีวิตเราถ้าไม่ต้องทำงานที่ใช้ความคิดนะตามรู้จิตไปเลยทำไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีทำไปไม่รู้คือมีแต่สติอย่างเดียวจะเป็นสมถะ ประกอบ ด, ด้วยปัญญาแยกคายจริงๆถึงจะเห็นปรมัตใช่ใช่เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขานทั้งปวงไม่เที่ยงความเป็นกลางของจิตก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถูกต้องแนละ้วแลสติก็เหมือนกันนะสติก็ไม่เที่ยงสติก็เป็นอนัตตาบังคับให้เกิดไม่ได้บางท่านพยายามจะให้สติเกิดตลอดเวลา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 งั้นอยากให้มีสตินะใครใครรู้สภาวะไปด้วยเช่นใจเราหนีไปคิดรู้ทันใจเราสงสัยขึ้นมารู้ทันหันรู้สภาวะไปด้วยเดี๋ยวสติก็เกิดเองแหละต่อไปพอมันสงสัยปุ๊บมันรู้สึกขึ้นมาเองเลยระลึกได้เลยว่าสงสัยแล้วเความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บหรือความขัดใจเกิดขึ้นปุ๊บนะสติระลึกได้เลยว่าโกรธขึ้นมาแล้วมันไม่ภาคหรอกนะแต่ว่าแรกๆกมันอดภาคไม่ได้มันอดบรรยายไม่ได้